อบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายเวลาการที่จะเจริญรัตมะฐานใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าเวลานี้ก็ยังจะไม่อธิบายเรื่องการปฏิบัติรัตมะฐานจะขอนําบุคคลตัวอย่างที่ท่านปฏิบัติรัตมะฐานมาแล้วโดวยดี เี่ยงศึกษาเน่เล็กน้อยแล้วก็ไปปฏิบัติที่ตนเองในป่าภายในไม่ช้าก็ได้บรรลุสรหันปริสัมิทายาน <c oughs> มีฤทธิ์มากสามารถกระมิดอะไรต่ออะไรก็ได้ตามความประสงค์ดับเรื่องนี้รากฏมีมาในพระธรรมบทขุดตธธานิกาย ว่ามีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับ ย, ยาวงสมราอิทิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในขณะนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานตรงปรารบปริวัตตเทระผู้อยู่ในป่าไม้สะแค แต่ความจริงป่าในนี้ในที่บางแห่งเรียกว่าป่าไม้ตะเคียนบ้างเรียกว่าป่าไม้สะแกบ้างและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงจิงเรืสองทรงตรัสตุผุตพาสิจว่าคาเมวาอย่างนี้เป็นต้นสำหรับเรื่องนี้ความมีอยู่ว่าท่านรัสรีบทความจริงรัสรีบทนี่ท่านที่อว่าอุปติสสะ เป็นบทแห่งนางสารีเวลาที่บวชเข้ามาเป็นพระในพระพุทธศาสนาทะเลยะกับสารีบุทเป็นมโมกขลาเหมือนกันมโมกขลาไในฉันชื่อว่าอุปติสสะแต่ว่าเป็นลูกของนางโมกคันลีเวลาบวชเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าโมกขลา ว่าในเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อท่านเบสารีบุตรซึ่งเป็นลูกชายคนโตของนางสารีรามได้สละทรัพย์แปดสิบกดถึงตาสิบเจ็ดโกดบทแล้วหมายความว่าตากว่าท่านไม่บุตที่มีโอกาสปกครองทรัพย์สินที่มีคร่าทั้งแปดสิบเจ็ดโกดขณะบุตรแล้วได้เป็นพระราหารโดยฟังคําแนะนําของพระอัสสกิ เพียงย่อๆให้เบื้องต้นว่าเยธรรมมาเหตุปับพวาติสังเหตุตรงรถาโตเยนิโรโทจะเอวังมหาสมโนต่แปลไปเจอความว่าทำได้เกิดแต่เหตุราพุทธเจ้าจนตัดเหตุแห่งทำนั้นได้ความดับของทำนั้นสมเร็จมหาสมณะปรับอย่างนี้ นี่ทัานฟังในความ ย, ายอดเพียงตร่นี้แล้วก็นําไปคิดในที่สุดก็ได้สําเร็จสโสดาปิผลในขณะนั้นหลังจากนั้นได้ชนพระโมคคลานะไปเป้าพระพุทธเจ้าพ <c oughs> ร, ร้อมด้วยบริวารละห้าร้อยคนตอ ง, งสําเร็จวัฏสงฆ์สุนทรงแสดงวั ร, รมเทศนาโปรดจบปรากฏว่าบริวารห้าร้อยคนเป็นอรหันต์หมด เหลือแต่พระโมกขลาและพระสารีบุตรพระโมกขลาไปนั่งทำความเพียรอยู่ในช่องเขาแค่เวลาเจ็ดวันก็ได้บรรลุอรหัตผลพระสารีบุตรจำอเนกความทำเทศนั่นแหละไม่ได้ฟังําบำเพ็ญความเพียรอยู่สิบห้าวันก็สาเร็จอรหัตผล นี้ปฏิบัตาสำหรับท่านที่ปฏิบัติมาอย่างนี้ขอบรรดาท่านพยโยคาวจรทลายในพิสุสมัมมเนินทั้งหมดฟังแล้วก็จงจำมาเป็นตัวอย่างข้เราฟังกันวันละสามสี่ครั้งฟังกันทุกวันได้อะไรบ้างไม่ท่านฟังผลเดียวแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจึงเกิดผลควรเยาอย่างท่าน มือมาตำท่าบวชแล้วท่านก็ชักชวนน้องสาวสามคนคือนางจาราหนึ่งนางอุปจาราหนึ่งนางศีสุปจาราหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นฆรหันหมดคือบวชแล้วเป็นเถรีเป็ุสินีและลองชายสองท่านคือนายจุนทะหนึ่งนายอุปเสนะหนึ่ง ท, ท่านสองท่านมีบทแล้วก็เป็นอรหัหมือนกันรวมความว่านางสารีนี่มีบทที่เจ็ดคนคือเป็นลูกผู้ชายทีย 4, ่สี่ลูกผู้ชายท่สี่ผู้หญิงสามแล้วก็ยังเหลือคนละอีกคนหนึ่งชื่อว่าเลวัตตามตาบาลีท่นเรเลวัตตะกุมานเหลือคนเดียว ดังนั้นเลือดนั้เมมนเลยว่าตากุมารเหลยยบ้มใคนเดียวในเวลานั้นสำหรับมารดาคือนางสาลีพรามณีท่านเม่นี่ความจริงท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นรามท่านไม่ยอมเคารพรับถือพระพุทธศาสนา ท, ท่านมั้ลูกหญิงลูกชายก็ไปละหันา ห, าหมด 7, ทั้งเจดท่านอัศวหกท่านเลยกัน แต่ท่านแม่ก็ยังไม่เคยเคารพกับกผู้ใหเจ้าไม่เคยเคารพกับธรรมไม่เคยเคารพกระสงฆ์นอกจากนั้นก็ยังประกาศตนเป็นศัตรูกับพระพุทธศาสนาต่อมาจริงเรื่อหนึ่ว่าเวลานี้อุปติษฐ์ลูกชายของเราเออกบทแล้วผ่านน้องสาวอีกสามน้องชยหนึ่งใ้ก็โทษน้องชายส อ, อ, อ, องอ 2, รวมเป็นหกเพตัวท่านไปบดหมด เหลือแต่ลูกชายคนเล็กของเราคนเดียวเท่านั้นเวลานี้อายุได้เจ็ดปีถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่เช่าอุปฏิสัลูกของเราที่ละซับประมาณเท่านี้แลออ้วอบบวดก็จะมาชักชวนใหนนนนนน้ลูกชายคนเล็กไปบวชซะอีกเหมือนกับชวนน้องสาวสามคนน้องชายหนึ่งคนไปบวชอย่านั้นเลยวัดคนนี้ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็ก ก่อนที่ปุปดิสะพี่ชายใหญ่จะไปชักชวนเราจะต้องผูกมัดให้เธออยู่กับบ้านโดยการมาคุณเพื่อจะได้ปกครองรั์สินมีประมาณแปดสิบเจ็ดโกดี้เองกองอยู่เป็นการรักษาตระกูลมหาเศรษฐีเข้าไว้ได้ความจรงิงทั้งกล่าวตามสัาบาลีว่าแม้ในขณะนั้นพระสารีบุตรก็มีความห่วงใหญ่ ในน้องชายคนเล็กเหมือนกันคิดว่ายังไงยังไงก็ดีน้องชายคนเล็กนี่ก็ต้องบ <c oughs> วชแต่การบวชสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาษจยาวได้รับพรจากพระเจา้าสุธโธธนะมหาราชพระชีวิดาเรื่องโดยที่พระราหุนบวชเป็นเหตุให้พระญาติเสียใจแมกว่าไม่มีใครสิบแต่กูในราชสมบัติ ยินดขอพรว่าถ้าใครจะบวทในพระพุทธศาสนาขอบิดามารดาและผู้ปกครองอนุญาตเสียก่อนถ้าบิดามันดาหรือผู้ปกครองอยังไม่อนุญาตขออองสมเด็จท้าพระมีสภาเจ้าจงย่าให้บทพระพุทธเจ้าก็ทรงรับพรยินัดีรักษาดีบรมีความห่วงใยในน้องชายของท่านจึงไปสั่งกับพระ ที่มีอยู่ที่บ้านใกล้วัดใกล้ใกล้บ้านของท่านเมื่อกว่านี่คุณถ้าในวัดน้องชายของเราประสงค์จะบทแล้วแล้วก็ขอท่านจงให้เธอบทได้ทันทีท่า น, นี้เพราะว่ามารดาของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ถือว่าเป็นพี่เป็นผู้ปกครอง ดังนั้นเมื่อเรวัดมาขอการบวชมื่อไหรลจูงให้บวชได้ทันทีโดยไม่ต้องรอมันดาของเราดังนั้นสำหรับฝ่ายพระมันดาท่านมันดานั่นหมายถพระมันดาพระมันดาก็ได้เรีอกมันดาของพระเรีมันดาคำประสารีบุตรจึงไม่นามนางสารีพระมณีก็มีความประสงค์จะผูกมัดเรวัตคุมารผู้มีอายุได้เพียงเจ็ดปี ด้วยเครื่องผูก ค, คือการมีคู่ครองเสียนางจะได้จัดการมั่นเด็กหญิงในตระกูลที่มีคาาเสมอกันคือไปมามหาเศรษฐีเสมอกันมั่นเสร็จนล้วก็กำหนดวันแต่งงานเมื่อถึงวันแต่งงานก็ตกแต่งร่างกายลูกชายศิริวัฒน์เพริศสดงดงามเป็นพิเศษแล้วก็พาไปสู่เรือนของขหญิง เวลาไปก็ไปพ ร, ร้อมไปบริวารเป็นอันมากขาบวนแห่นี่แห่ขันหมากกันลอขก้นเต็มที่จะเมาด้หรือไม่เมาก็ไม่ทร า, าบบาลีไม่บอกแต่ว่าเวลานี้เวลาก็แห่ขันหมากไปเลยเขาต้องเมากันด้วยความจริงถ้าไม่เมาเล้าก็ต้องไปเมารักสำหรัว บ, บวันนั้นท่านพ่อแม่แม่ผัวกับแม่ยายพ่อตาก็คงจะเมาในรัก ปราะนาอยากให้ลูกเมีโยอายุเจ็ดปีแต่งงานกันแม่จัดว่าเป็นเจ้าเบา่าวิเศษจริงๆในระดับนในระหว่างที่เข้าไปถึงบ้านจัด ก, การแต่งงานกันแล้วยังไม่แล้วสินะเริ่มทําพิธีแต่งงานพิธีของพราหมณ์เขาก็มกไม่มีพระเมื่อบรรดาผู้ญาติจากสองฝ่ายที่เขามาร่วมการประชุมในการมงคลใหญ่ ปวดยากเขาก็ให้ทั้งสองคนจุ่มมือลงในถาดน้าแล้วพก็กล่าวมงคนคำคำมงคนหลายอย่างหลายประการตามแต่จะพูดเพื่อให้พรกอให้พรดีกว่าเอาให้พรตามแต่เขาจะพูดจะให้พอรอยังไก็ตามใจอย่างเช่พวกเราให้กันนั่นแหละทั้งนี้กะเพื่หวังความเจริญกินเลดชายระดิกิงเนระื่องสอนยิ่งกล่าวว่า ขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงเป็นผู้อยู่สิ่งการนานเหมือนยายของเจ้านะนี่ตอนนี้เขาให้คพรกับผู้หญิงเจ้าสาวฟังให้ดีนะขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงอยู่สิ่งการนานเหมือนยายของเจ้านั่นแห่ะนะ เวลาที่บรรดาพวกญาติท่านหลายให้พรกัเจ้าสาวสําหรับเรไว้ดกุ ม, มารเพศยศเจ็ดขวบเจ็ดปีเจ้าสาวไม่รู้ว่ชื่ออะไรไเจ็ดปีเหมือนกันเจ้ลุงเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ็ดปีนี่มาอยู่ร่วมกันหน้ากูมันจะสนุกดีนะคนจะวิ่งเอาเธอกันบ้างเล่นซอนหากันบ้างดีไม่ดีก็ถอยโถอาจารย์แตกทํตาตามกัน เพะว่าแกเป็นเด็กอย่างเล็กนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องกามารมทั้งหลายนี่เด็กขนาดนี้มีหรือยังก็ไม่ทราบนี่ก็น่าดูฟังไปแล้วก็ต้องคิดนะว่าผู้ใหญ่ในชอบสร้างทุกข์ให้แก่เด็กสําหรับท่านเลยวัคคุมานฟังคําที่เขาให้พรกันก็คิดว่าเอนี่มาอะไรแล้วนี่นะ เขากล่าวว่าชื่อว่าทำํำบนรยายนี้่ห็นแล้วท่านสงสัยจะรีถามบรรดาญาติฝ่ายเจ้าสาวว่าถ้าคุณ น, นาคนไหนเขารับที่เป็นยายของหญิงเจ้าสาวของผมงบรรดาญาติเขบอกเขาว่านี่พอคุณคนนี้ยังไงล่ะที่เป็นยายของเจ้าสาวของเธอเน่ะคุณยายนี่มีอายุร้อยี่สิบปี มีฟันหลุดมีผมงอกมีหนังเหี่ยวมีตัวตกกะหลังโกงเหมือนกับรลอนเรือนเจ้าเห็นเจ้าไม่เห็นเลยนั่นแนะคนนี้จะเป็นยายคนหญิงเจ้าสาวของเจ้าแต่เวลาพระฤวัตเวลานั้นจะเป็นเด็กรีกวัเลวตะกุมาน เรวัตเรวัตตะกุมานนะจะเป็นอรีวัตก็เดินมาภาษาไทยเราบางทีเรียกว่ารีวัตเรวัตภาษาวเรวัตเรวตะเรวตตะเมื่หญิงเรวัตเรวัตจึงคิดว่าไม่หญิงนี้จะเป็นอย่างนั้นหลยเขรับเขาถามเขาน่ไม่เคยคิดแต่ชายเรวัตถามญาติผู้ใหญ่ว่าเจ้าสาวของผมน่ะต่อไปไม่จะแต่อย่างนี้เลยครับ จะมีฟันหลุดจะมีผมหงอกจ ะ, งจะมีหนังเหี่ยวจะมีโนตัวตกสะละจะมีหลังโกงแบบนี้ไหมไม่ไมครรับมันดาพวกญาติท่านหลายก็บอกว่าถ้าเขาจะมีอายุอยู่ที120่ร้อยยี่สิบปีเขาก็จะเป็นอย่างคนยายนี่แหละถ้าคนนี้มีอายุยืนนานเป็นคนมีบุญมากเขาก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้เองท่านพวกฟัง เจบรรดาเพื่อนพระวิสุทธเจวันเนทั้งหลายและบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายท่านเรวัตกุมารคิดว่าขึ้นชื่อว่าเรีระย่อมเป็นอย่างนี้จักถึงโดยการขึ้นไปยอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งชราความแก่เป็นปัจจัยไม่พอท่านฟังแล้วก็คิดไหมกับท่านเรวัตไหม ตั้งคิดว่าคนแก่คนนี้เป็นครูต่อไปเจ้าสาวของเรายังเป็นเด็กรูปร่างกําลังน่ารักสวยสวยดคึกงามมีความกระปรี้กระเปรา่ามีความคึกค้นนองเลือนหนังเปล่งปลั่ ง, งสวยสวยดคึกงามแต่ว่าต่อไปเจ้าสาวของเราจะต้องมีสภาพอย่างนี้มีฟันหลุดมีผมงอกมีหลังกรอมีหนังตกกระ เพราะน่ายความเสีายเขามักอบงามมีาอุปฏิสัตย์ท่คิดอย่างนี้แล้วก็โทษ ธ, ธรรมเรวัตะ์ท่คิดอย่างนี้นี่คิดต่อไปว่าอุปติสัตพี่ชายของเราคงจะเห็นเหตุ น, ห น, นี้แล้วก็เลยนนหนีไปฉะนั้นเราก็ควรจะหนีไปบวชที่เช่นเดียวกับพี่ชายของเราเหมือนกัน ่าได้มีให้พ้นไอ้ความชราบ้าบ่บ่อนี่ไอ้การมีบุญการเห็นธรรมหนังตกละปันลอผมหวอกตะหูป้าตาฟางหลั ง, กงโกงโอ้ไม่ไหวเลยนีท่้นสลัดหัวสลัดหน้าเริมละอาในใจเมื่อวิธีแต่งงานเสร็จในขนะดเดียวกันนี้ปริวัติคิดแล้วเปิด ไม่เอาแล้วถ้าอยู่แล้วไม่แก่กันอย่างนี้ไม่เหนมันสวยเลยนี่ตอนนี้ก็สวยดีรกสุด่างหน้าตาก็ดีฐานะก็ดีแต่งตัวก็สวยแต่อยู่ไปอยู่ไปถ้าราอีธา น, นีแล้วไม่ไหวแล้วขอถวายบังคมลานนี่เลยคิดในใจเพราะนั้นเมื่อเวลาแต่งงานเสร็จมันดาพวกใาญ่ก็อุ้มคนทังสองนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นรถเทียมไปดิมา คือขึ้นรถหลังเดียวกับคันเดียวกันนบรรดาญาติท่านหลายต้นหลีกไปไมาฟ้ฟางก็ปล่อยให้ก็อยู่สองคนก็จุก็ถีตาปฏิยาใสบรรดาญาติท่านหลายฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ขึ้นรถเทียมมาคันอื่นเป็นขบวนยาวเหยียดแต่สําหรับขบวนเจ้าบ่าวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ข้างหลังหลังเขาหน่อยเมื่อขั้นลาที่รถเทียมนด้มาเคลื่อนไปในหน่อยหนึ่ง ทันเรยวัก็อ no ่างเพราะท่านเบื่อถ้าอยากจะบทจะหนีบทท่านบอกว่านี่ลุงเลยในสารถีท้องผมไม่ดีสแล้วมันจะขี้มันวดอุจาระภาษาภาษาไทยเขาปวบทั้งขี้อยากไปไหมถ้าอยากก็อย่าพูดนะคำว่าขี้พูดว่าคำอุจาระนี่ไปโ็แล้วกันอุจาระน่นมันเป็นภาษาบาลี โมดขวดอูจาระภาษาไทยเราตะวขีขอท่านยังหยุดก่อนเขาก็หยุดหยุดรถแล้วก็หยุดเกือยนยอบปล่อยให้ฉันฉันจะลงไปถ่ายท้องท่านทำแบบนี้ท่านลงไปนั่งถ่ายท่องเวลาสักหน่อยหนึ่งที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งคนได้เวลาพอสมควรก็ย่องขึ้นมาขึ้นรถ ก็ขึ้นรถแล้ว่ารถเคลื่อนไปหน่อยหนึ่งแต่ก็บอกไม่ไหวปวดท้องอีกแล้วขอลุม่มไถ่ายอุจจาระสักทีอะปล่อยทุกข์รถถขาก็หยุดท่านลงไปได้หน่อยไปพักช่วยเวลาไปแ อ, แอบอยู่เพราะยิงไม่ได้ถ่ายไม่ได้เทยก็เรื่กปวดท้องขี้การเมืองได้ก็กลับมาขึ้นรถอีก ต่อมาบรรดาพอ่อใหญ่ของเขาคิดว่าเอ้เรวัตนีมันถ่ายแท้ๆนี่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขาจริงไม่ได้ให้การรักษาหมายความว่าเขาก็ไม่สงสัยคิดว่าทา่านจะหนี้ยังได้ปล่อยไปตามลำพังมาช่วยอีกขนาดหนึ่งปรากฏว่าท่านเรวัดบอกว่านี่นายสารธีหยุดก่อนเนี่ยฉันจะไปขี่ มเมื่อลงจากรถแล้วก็บอกกบับมรดาพวกญาติว่าขอท่านไปส น, นาก่อนแม้แต่รถของเจ้าสาวก็ไม่กันขอให้ไปก่อนแต่นี้ก็เพราะว่าท่านถ่ายแล้วฉังจะค่อยๆเดินตามไปทีหลังบ้างใกล้ๆนี้ประเดี๋ยวก็ถึงเพื่อนอันว่าท่านพวกนั้นก็เชื่อเมื่อท่านนั้นหลายพวกนั้นเชื่อก็ขับรถ รถเทียมปริมาณไปข้างหน้ายิ่งคิดว่าประเดี๋ยวท่านเลวัตที่จะตามมาข้างหลังนั่นเองที่ยสาหรับพระวัตีเมื่อได้ท่าอย่างนั้นแล้วบรรดาพวกญาติทั้งหลายไม่ห่วงยิง่งเลยเข้าไปวัดวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดแต่ความจริงแผนตอนหลังนี้ใกล้วัดเต็มทีเข้าไปในสำนักเขาไม่สุเมื่อที่วัดนั้นมีพระประมาณสามสิบรูป ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านเข้าไปไหว้แลวเรียนถามว่าท่านรับขอท่านเยกโตดสงข้าบวชให้ผมได้เถิดรับบรรดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นยินถามว่านี่คุณผู้เมียุเธอก็ดดับเพ่อได้เครื่องอลังการพร้อมแต่งตัวสวยงามแบบนี้นี่พวกเราจะรู้ได้ยังไง ว่าเป็นพระราชโอรสของใครหรือว่าเป็นบุทข้ อ, อามารหรือเป็นบทขอมหาเศรษฐีนี่เรารู้ไม่ได้ข้อแม่ไม่ได้อนิญาตมีบทให้ไม่ได้สาหรับท่านในวัดวูมานก็บอกว่าพวกท่านไม่รู้จักกับผมหรือใครความจริงบ้านผมอยู่ใกล้ๆนี่เองแต่ว่าท่านในพราะนี่แม่ไม่มาวัดพระก็ไม่รู้จักเพื่อนดาพวกข้าทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าฉันไม่รู้จัก ท่าเลยวัดจึงบอกว่าผมเป็นน้องชายของท่านอุปติสสะครับถ้าผู้นั้นก็เกิดไม่รู้จักชื่อท่านอุปติสสะเสียอีกว่าเป็นใครเพราะว่าได้ยินข่าวเพียงแต่ว่าเขาเรียกพระสารีบทสารีบทท่านเลยวัดจึงว่าท่านผู้เจริญที่ชายของผมนะที่ท่านเรียกว่าพระสารีบท ดังนั้นเมื่อผมบอกกับท่านว่าอุปาติสสะท่านผู้เจริญทา่านเพียงไม่ทราบหรือไม่ไม่รู้จักบรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อทราบว่าเธอเป็นน้องชายของมัสสรีบทเมื่อทราบอย่างนั้นแล้วพระฤๅวัดรยังบอกว่าอขอโทษ น, นะพร ะ, ะทั้งหลายนั้นถามว่าเธอเป็นน้องชายของมัสสรีบทหรือพระฤๅวัตรบอกว่าใช่ขอรับ บรนดาพิสุททั้งหลายแล้วนั้นกล่าวว่าถ้ากันนั้นมาเถิดพระสารีบุตรท่านผู้เป็นใหญ่พี่ชายของเธออนุญาตเว็นแล้วมาบอกกับฉันไว้ว่าน้องชายชื่อเลวัตถ้าจะมาบวชเมื่อไรก็สั่งให้บวชได้ทันทีและมันดาพระทั้งหลายที่เครื่อเครื่องอวพรแต่งตัวออกทั้หมดให้วางไว้ที่สุดส่วนข้างหนึ่งและให้เขาบวชแล้วจะได้สรง แ่เจียงเล่ส่งข่าวไปแก่ภาษารีบทเพราะว่าเวลานี้เนี่ยสารบริวัติน้องชายของท่านในบทแล้วจัดการให้เรียบร้อยเลยครับสําหรับพระเถระเมื่ได้ฟังข่าวแล้วยิงกราบทูนองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าพันเตยพระกวาข้าติ อ, องค์สมเด็จพระพุมีพระคาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะ พิสุทันหลายส่งข่ามาว่าได้ยินว่าพิสุที่อยู่ในป่าได้บวชเรวัดน้อยชายของข้าพระพุทธเจา้าข้าพระพุทธเจ้าจะขออนุญาตไปเยี่ยมแล้วจะกลับมาสมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าก็ไม่ได้ทรงยอมให้ไปด้วยมีพระพุทธดมัดว่าสารีบุตรจงยับยังอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปเลย โดยการล่วงไปสองสามวันพราะสารีบุตรก็กราบทูลองสมเด็จพระภักรวันจะไปเยี่ยมน้องชายอีกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ยอมให้ไปด้ยดั่หวัดว่าสารีบุตรจงยับยั้งไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะไปด้วยสมาหรับจ้ามนนคิดว่าถ้าเราจะอยู่ในที่นี้ใทรบรรดาพวกญาติจะให้คนมาตามเรียกตัวเรากลับ เยีเรียนพระกรรมฐานจนถึงพาาระอรหันต์โดยย่อจากสำนักพิสูุน์นั้นแล้วถีอบาทละทีวรเที่ยวจาริกปนีป่าไม้สแกในที่ที่มีประมาณไกลาจากที่นั้นประมาณสามสิบโยต์และก็ในระหว่างสามเดือนนั่นเองไปในภาษานั่นเองท่านก็บรรลุอรหันต์ซ้อมไปด้วยปริจมิทายานมีการที่ท่านได้บรรลุอรหันต์ ก็หมายความว่ามีปัจจัยเห็นญาติของผู้หญิงแก่เป็นสําคัญเห็นว่าเขาเป็นคนแก่ในการเรียนอรหันต์ขั้นโดยย่อถึงอราตผลการเรียนพระกรรมฐานโดยย่อถึงอราตผลก็เคยฟังมาแล้วว่าพิจารณากันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราจงไม่เมาในขันห้าเสียนี่บรรดาพระท่างหลายก็รีบสอนเหมือนกัน เขายางนั้นเวลาไม่ทันดีไม่ดีญาติจะมาตามเมื่อท่านรับฟังว่าท่านเธอจงอย่ามัวเมาในขันห้าชัวรูปเวทนาสัญญาเส้นขาด น, นิญานโดยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราเพียงเท่านี้เธอจงไข่ควรตามนี้แล้วต่อไปเธอเมื่อ ป, ปฏิบัติได้เพราะยัได้บรรลุมรรคผลเท่านัรหัสผล อรัดาท่านพุทธสาวเสนิกชนเสร็จเรื่องพระฤวัตฟังแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรหนักธรรมะที่บริวัติฟังทศึกษาเราก็เรียนกันมาแล้วแล้วก็บริวัติเห็นคนแก่เป็นครูยังได้มีความเบื่อนหน่ายไม่ต้องการจะอยู่ในบ้านไม่ต้องการอยู่กับพวกครองแค่เข้าบท ท่านเลือเลยวัดเปโอกาสศึกษาธรรมะเพียงนิดเดียวท่านปรีกตัวเขา้าประโยชน์ในที่สงัดปฏิบัติจนได้อราัสผลพร้อมด้วยปฏิสมิธายานอันนี้เรื่องนี้ยังไม่จบจะ ต, ต่อในคืนพวกนี้แต่ฝังว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายโคงเจนนิดได้แล้วก็โคงเจ น, นิดออกว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ว่าสาหรับเวลา น, นี้ เรื่องราวก่อนสอนเพื่อกรรมาฐานก็หมดเวลาแล้วข้าพรัญาท่านวโยคาวจรทั้งหลายจงตั้งใจรับฟังคําแนะนําในเพื่อกรรมาฐานต่อไปการสอนเพื่อกรรมาฐานในคืนนี้ก็จะเข้าเรื่องของมาหาสติปัฏฐา น, นสูตรในกายานุปัสนนามาหาสติปัฏฐานบทต้นที่เรียกว่าอนาปานบับบ ขอท่านาหลายโปรดตั้งใจรับฟังต่อไป